ขอโอกาสเพื่อนสมาี่ทุกท่านนะแล้วก็จะเดินในธรรมยติธรรมทุกคนทุกคนุกคนทุกคนทุนทุกคนทุกานคนทุเค็ทุนทันวั น, น, น, น, วนทุกนท้กคนทุนทุนทุกทุกคนทุกคคนทุกนทุกคนทุกคนทุทุกคนทุกคนททุกคทุนนทุคทุกนทุกทุกคนกน อยากจะอยากจะไปแล้วหรืออยากจะอยู่ต่ออยู่วันที่นี้ก็อยู่วันสุดสิ่งสิ่งที่จะไปแล้วหรือจะอยู่ตไป เอาเอาใจไปด้วยโยมายดิจิวเทนโยมายดิจิว带上你的心นี่อย <laughs> ู่ที่ไหนนี่ก็ให้อยู่กับร่างกายเราที่ไหนก็ให้ใจเราอยู่ที่นั่นด้วยนะ wherever your body is your mind s t a y r with the b o u 身体在哪里心就在哪里 แม้ว่าที่นั่นอาจจะเป็นที่ที่วุ่นวายนะแต่ถ้าใจเราอยู่กับกายนะใจจะได้คุ้มครองกายให้มันไม่ทุกข์ด้วยนะถึ Even that place แงแาที่นั่นอาจจะเป็นที s ที่วุ่นวายนะแต่ถ้าใจเราอยู่กับกายนะใจจะได้คุ้มครองกายให้ันไม่กข์ด้วยนะถึงแม้ว่าที่่าจจเปี่ทวายะ่าเราอยู่บาใงกายเรนทย่าี่นอที่ที่วุ่นวายนเานะะ แต่ใจเราก็คิดถึงโอ้ตรงที่อาสมเนี่ยมันสงบนะจนจะเปรียบเทียบ Let's say you go somewhere place that busy and then your mind you think about here and you want to come back here. อ่อ例如说你去到一个很嘈杂的地方，然后你就想起了อา阿宗，然后阿宗 r e 然后你又想回来这里แต่แต่มาก็เข้าใจนะที่เขาพูดหมายความว่าก็จิตใจก็คงอยากจะอยู่กับสติเองเนานะแม้ร่างกายจะไปที่อื่นแต่ก็ใจก็อยู่กับอยู่กับสติอยู่กับตัวบาอาจารย์เลยนะ understand you mean that even your body g o your mind h e which mean that your y o u mind want to be with the s t u d in fact here 老师明白当你说你的身体走但是你的心留下来的也的时候是说你你你想用功แต่จริงถ้าจะเปรียบเทียบ น, นะเหมือนชีวิตเราก็คล้ายๆเหมือนกับการเดินทางนะเออราอีก่หนึ่ง compare our life like a journey เคอ我们可以比喻我们的人生就像一个旅行ครั้งการเดินทางบางทีมันก็ก็ราบเรียบสะดวกสัมภาษณอ our journey อีก Uh, set all set is ready, ready set. 有时候我们的旅行都已经是已经安好的了。บางครั้งเราเหมือนเหนื่อยหน่อย，ต้องขึ้นเขา，ต้องลำบากหน่อย。ต้อง e ำสิ่งท e ่ทัวร์กลับไปได้ดี。有时候我们要自己走到山上去。บางครังก็ต้องเหมือนลงเขา。ทำไ e ้ไหวมันเท่าแต่เที่有候山。 ถ้ามันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็เรียบเดี๋ยวก็ขึ้นเขาเดี๋ยวก็ลงเขาเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้ And life is like this sometimes up sometimes s down 人生就是这样起起伏伏แต่ละคนก็เขาไม่เหมือนกันนะ <And> Each <laughs> each person has different way different each each different up and down ออัันหหมก้ย่าง啊每个人都不一样每个人都有不同的起起伏伏嗯ใช่ไหมชีวิตเราเป็นแบบนั้นไหม <pouches> is that true? o w r life is like that? 是这样吗？我们的人生是这样吗？哎 <transition> <nas igra>。จะให้เรียบสบายอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่เนาะ。To make it all good, beautiful, is not like that。我们想让它都是好的，都是舒服的，那不是这样的。但，如果我们爬山，我们就会慢慢走。 มันก็ขึ้นเขาแบบไม่เหนื่อยมากถ really. ้านน เ, ไไเราเดินแบบไม่ต้องรีบว่าจะ l ้องให้มันรีบไปถึงให้มันถึงยอดเขาก็ไม่้องรีบก็เดินทีลนก้าวอย่างมีสติถ้าเราเดินแบบไม่ต้องรีบว่าจะต้องให้มันรีบไปถึงให้มันถึงยอดเขาก็ไม่ต้องรีบก็เดินทีละก้าวอย่างมีสติ We need the don't destination to wish the destination, หรือเดินลงเขาเนี call, yeah. บางครั้งถ้าเราคลายปล่อยนะปล่อยเนื้อปล่อยตัวเกินไปบางทีก็อาจจะล้มได้นะก็แรงน้ม่วงอนนีอ walk down the hill นอันนี้คือ let go everything too much easy we might fall อ่า那我们下้的时候如果我们呃什么都都不管了然后我们可能会摔跤的走太บางทีลงเขา ก็ยังต้องระวัง <laughs> sometimes especially walking down we have to be more careful ใช่ใช่ถนนมันใช้ออ่ขึ้นทา ง, ง, ง, ง, งเท้าใช่ไหมใช่บางทีทางที่ราบนะที่เรียบนะบางทีมันก็มีกว้างแล้วก็มีทางแยกเยอะ sometimes the easy way is big and have a lot of intersections 有时 <laughs> 候那个呃简单简单的路哈它很 很宽，但是有很多岔路。<笑>我们可能会迷路的，迷路的。So, lost, lost 我们可能会迷路的，迷路的。路途的。我们可能会迷路我们可能会迷路的，迷路的。路途的。我们可能会迷路的，迷路的。路途的。我们可能会迷路的，迷路的。路途的。我们可能会迷路的，迷路的。路途的。我们可能会迷路的，迷路的。路途的。我们可能会迷路的，迷路的。路途的。我们可能会迷路的，迷路的。路途的。我们可能会迷路我们可能会迷路我们可能会迷路的，迷路的。路途的。我们可能 สงทางกับชื่อเสียงเกียรติยศจะอโยเมเนเพะนคมีชื่อสียงเราจะมีชื่อเสียงเพราะเป็นคนมีชยรจะมีงระเรานนมีชเรจะมีื่องนนี่งรีือเสยงาคนปฏิบัติส ร, รมก็ลงทางกับสมาธิอยู่ในความสงบพนม่อยากออกจากสมาเี่อเอจากความสงบพเป็นคนมีชืรา We're getting lost because of the d a m v a t i because of the calmness in the mind. Ah, 用工的人呢就会迷在这个禅定 Sati, n t i is, 好像像像像 a 像像像 n 像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像 i 像像像 o 像像 The, the s like you walking, and then you the same pace of walking. t i s like you're walking, and then you the same pace of walking. Ah, but the w it. a l k i i s like you're i n g d t o e s a pace of walking. e i n t e o u r e w a i n g and then y u s e but h e i n t i k e y o u r a l k i n g and t h e t h a m e w a t h e a i s y o u e w i t e o h same c e o w a l i but a l i n g t i e y o u r i n g and t e you h e a e o k n g t h e a i i l o u r e i n t h e y o the s m e e o l i u t t a n i e o u w a n g and t you t e a e a e o i n g t the l s o u r n g and you e o l n t h e i n g t s o u l i n g t you m a o l k n g a u t t e i s you're i m d e บางครั้งขึ้นเขามันก็เหนื่อยบ้างนะแต่ถ้าเราท้อเนี่ยเราก็จะโอยไม่เอาแล้วนะลงดีกว่าค่ะ Sometimes walking up the hill it might be a little bit tired but if we say no to ourselves we we we will we will lost we will lose เออขึ้นเขา的时候有时候很困难但是如果我们对我们自己说เอ่อคัดค้านตัวเองไม่ต้องไถ้าคุณเดินต่อนะเอ่อร่างกายคุณก็แข็งแรงขึ้นกาลังใจคุณก็แข็งแรงขึ้นแต่ถ้าคุณเดินต่อนะ n อ i n ร่ e งกายคุณก็แข็ e แรงขึ้นกำล e n e จค n d ก t แข m e แรงขึ้น เออแต่สูงเรามาก็เชื่อว่านะแปดเก้าวันกนี้ยกำลังกายเราก็แข็งแรงขึ้นกำลังใจเราก็แข็งแรงขึ้น And that nine I do that the, the, the that you come You more body believe the have that days energy more energy 老师相信，大家在这里用功九天，然后你们的身体就越能量越来越强，心也是能量越来越强。บางค提在ใจ，哇，身体都没แข็งแรงเลนอนก็นออยก็เ Somebody might disagree because take less sleep and very tired。呃，有些人可能不认同老师的说法，因为睡的又少，然后休息的又少。แข<笑>็งแรงขึ้นนะเนี ได้ยกมือวันว่าหลายครั้งได้เดินจงกลมต้องนานอ่ะคือเซ็ตควายนอดก็วิ่งวอลกิ้ง l l day very long and m o v e the hand all day อ่าจริงๆคือพลังงจิตใจเราเองก็เหมือนกันนะเราผ่าเราผ่านความง่วงผ่านความฟุ้งซ่านต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราก็ใจสู้ใจเราเข้มแข็งนะ Our mind is has more energy because we can pass the sleepiness. We can pass the the craziness that come in a n d o u t our our our our our our our our our our r our u r our our o u our o i n o u u r t u r r o r our o r our our o r our our o u t r o r o r o our our our o u d u r o n r r o our o u our our u o u u r our our our our our o a r o our o o u o u r o เกิดผลอย่างไรกับชีวิตของเรา s o ่งบางคนอาจจ s ยังมีความคิดเห็นแล้วผลที่เราได้รับจากสิ่งนี้มันจะเป็นอย่างไรบางทีบางคนก็อาจจะพอได้เห็นพอจะเข้าใจแล้วนะแ t ่ e า i คนอาจจะ e and understand it more แต่สื่อ有一些人可能他已经看到了些些然又多明白了一些些แต่ท่านะอย่างที่คร um, นะูบานุ่มว่าเมื่อวานเนี่ยบางทีเมื่อมันเกิดอารมณ์เกิดปัญหาอะไรขึ้นบางอย่างเนี่ยสติเนี่แหละมันจะเข้ามามาทักท้วงมาช่วยเรา Like ครูบานุ่มแสด d whatever h a p p e n the satti w i s l j m and help us by the way 就好像老师昨天晚上的开示那一位老师的开示一样，他说，不管会发生什么，我们的决心会跳出来帮我们。When we เจอกับปัญหาในชีวิตนสติจะมาทักท้วงเ when we face the problem in our life, the s a t i will come and help. 当我们面对人生当中的一些问题的时候，决心会来帮我们。 เมื่อเราหลงกับโลกนะสติก็จะมาทักท้วงเหมือนกัน and also when we get lost with the world the satti will come 当我们在世间迷的时候觉性也会来帮我们。嗯。ถ้าคนที่ฝึกสกตินะสติมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวไปเรื่อยๆนะ。If you practice the satti the satti will be with your mind always 嗯。嗯那些呃练习觉性的人。 ใช่ใช่ค่อยๆเจริญสติสัจจินแล้วบางคนก็อาจจะกังวลว่าเรากลับไปเราปฏิบัติต่อมันจะถูกทางหรือเปล่าอะไรมันจะทำให้เราผิดทางหรือเปล่าเนี่ยตั้งประเด็นไหม e a question is f go back home if I keep doing is it going to be the right way or going to be the wrong way? At h o m e At h o m e At home. Uh, 会有疑问哈ถาาม้า้งงงงานนั้นถูกหรือผแต่ถ้าเราเนี่ยมีสตินะอยู่ทุกคู่วันสติมันจะทำให้เราไม่หลงทางนะมัน้ินไแต่ถ้าเรามีสติให้เหลาอดเ่ถ้าเสติจะเป็นตัวบอกเรานะเหมือนครูบาอาจารย์ที่อยู่กับเราตลอดเวลา สติ i s guide us the same as the master. ตใจแม้บางครั้งเราเจออารมณ์นะที่เป็นพวกวิปัสสนูเป็นอะไรต่างๆนะก็ต้องกลับมาหาสติาความรู้สึกตัวมันจะเป็นตัวแก้ไปในตัว especially when we face the negative emotion like vipassana the s u t also come help 啊，或者我们有一些呃负面的情绪啊，或者有一些呃皮破蛇那打染的时候，我们就回来，决心会帮我们。那 ，state， มันจะ，มันจะคล้ายคล้ายมันจะเป็นตัวทำใหกลับมาเป็นปกตินะ。t s t a is like something that bring you back to normality。决心就好像一样东西，它会带你回平常心的。บาง อารมณ์เนาะบางครั้งมันอารมณ์ก็เหมือนกับเราไปไปเที่ยวในที่ที่แบบสวยๆแปลกๆเราก็ว้าว s o t i m e m o t i o n is like you go to see something beautiful outside and then you say wow เอ่อ那个ะ绪啊有时ว就好像是跑出去看一些很ว่า东西然后你ห说บางครั้งเราเจออารมณ์ ที่มันแปลกพิเศษหรือว่บาบังความรู้ที่เราไม่เคยรู้เราก็อ้อเป็นแบบนู้สึกตื่นเต้นเพื่อแปลกข้างใน Sometimes when you see something new some new emotion that you never had before and then you will surprise อ่าใช่样子了吗然后有时候你看到一些新的你得很แต่พอเราดูไปเรื่อยบบ <c oughs> น, นะอารมณ์คนน่ะอ่เหมือนเราไปเจอที่แปลกแปลกไปเที่ยวที่สวยๆมันก็นว้าว แต่สักพักหนึ่งก็ปรับก็ปกติขึ้นนะ And then eventually it will become normal because it's no more interesting อ่าสุด้่ะจะว่จะเป็นธรนนรมชต้ว่าไม่มีอะีสเหมือ น, นเราเห็นอารมณ์เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราไม่เคยเห็นบ่อยๆเหมือนกันเห็นไปเรื่อยๆมันก็จ ะ, ะปกติขึ้นปกติขึ้นนะ Like if we keep seeing it it becomes more normal and normal and normal 那如果我们持续的看到，它就会变成平常，很正常。也别乱，ตกใจ，乱แปลกใจกับอารมณ์ทั้งภายนอกทั้งภายในเ So d o s u r p r i s e with the emotion from the outside, the emotion from the inside。因此呢，不要对外面的这些情绪或者里面自己的情绪去呃觉得吃惊或者压抑。บางคนก็มีอารมณ์นไป ไปรู้ไปเห็นข้างนอกที่มัน แ, แปลกๆนะ Somebody might have the emotion like to go and see something interesting outside. 有些人他可ม会很有兴趣去看那些外面เช่นไปรู้นะไปเหมือนรู้สึกถึงจิตใจคนอื่นหรือไปได้ยินเสียงอะไรที่มันรู้สึกพิเศษพิเศษนะ For example, like can hear What can see what in the mind of other people or can hear some some some voice? o n 他可能可以看到人的心，或者能到一些音。มีวาระเหมือนรู้อนาคตวหน้าอะไรอย่างเี้ย Oh, even can can see or predict the future. 甚至可以看到或者未来，อาจจะเกิดขึ้นจริงนะ，่ก็อย่าไปยึดอย่าไปเชื่อมันทั้งหมดนะ。 it might happen it i might be true but don't believe it completely เ่อ可能会发生哈但是不要完全去相信它แม้เราจะไม่ได้อยากไปเห็นมันมาให้เห็นเองนะก็อย่าก็อย่าไปตามมัน and sometimes we don't want to see but they come for us to see don't follow it 有时候呢我们自己并不想看可是它自己跑来给我们看那这样子的话我们不要去跟着它 ให้เตือนตัวเองว่าการเห็นตรงนั้นน่ะมันไม่ทำให้เราพ้นทุกข์หรอกนะ Always tell yourself that to see something like that never makes us go beyond suffering. 记得告诉自己，你去看这种东西不会让你离苦ต้องกลับมาเห็นเห็นกิเลสเห็นกายเห็นใจตัวเองบ่อยๆนะ่ะมันจะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้。come เบนจะกล t บมา e ห็นตัวเองและเห i l e ิ s that make us beyond the suffering <嗯>最好回来看自己的我嘛，看自己的烦恼习气，这样会我们离苦。嗯。แต่กลับมาเห็นตัวเองเออก็ไม่ใช่จะจ้องจะเพ่งเนี่ะตลอดนะ。b e l c o m e back to see yourself doesn't mean like you have too much concentration in yourself <嗯>。但是回来看自己不是说要回来专注的，嗯，集中看。ก็มีสติความรู้สึกตัวแบบเป็นธรรมชาติเป็นปกติเนี่ยแหละนะ。 มันจะปรับความสมดุลข้างนอกข้างในให้มันพอดีนะ s e อทำอย่างเป็นธรือชาติและมันจะซำเองทั้งในและภายนอกคอธรรมชาติมันจะมีนะสิ่งที่มันจะมีสิ่งที่ถูกรู้นะ ม, มีสิ่งที่รู้มันจ e มีสิ่งที่ e ูกรู t h ี t ิ่งท s ่รู t เออมี那个门也有所关กายมาครั้งกายก็ถูกเนี่ยสติเข้าไปรู้บาครั้งใจก็ก็ถูกสติเข้าไปรู้ Sometimes the body being observed by the s t i Sometimes the mind being observed by the subject. s t i ่时候呢决心去看身有时候决心去看แล้วก็เห็นนยเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นในกายบ้างเห็นอาการที่เกิดขึ้นในใจบ้าง เราเห็น่้นใร่างกาาเห็นงสิ一个一个่งต่างๆมันเป็นเพียงแค่เป็นอาการนะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ดับไปนะทุกองม้ากอย่างทีข้นกางทเกงีกยงเนยี่เกไป่ออ ไม่มีอะไรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้เลยนะ Nothing that we can hold on to. 没有什แม้แต่ตัวสติเองนะเราก็จะไปยึดก็ไม่ถูกเหมือนกันนะ And even also the self itself we cannot hold on to it. 好像是我们也抓不住。เราเพียงแค่รู้นะเราเพียงแค่รู้รู้แล้วก็วางมันไป I would s it j u s Observant and letting go. 我们的工作只是看，然后放下。嗯。我见你说在第一天，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那， a 那，那，那，那，那，那，那，那，那， n 那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那，那， o 那， t don't, don't, don't 啊， uh, 就好像老师今天第一天的开始说的，你也可以知道，也可以不要去呃说他。嗯，但没说我当真听呐，哎，但它会是那种状态，它会发展成那种状态。To let go that feeling is t the development itself. Don't do too much concentrate or try to do. 啊， uh, 然后呢？ 能放下的这个心态呢它就是一个用功的一个他自己的一个进展嘛然后不要试着去进步它自己会进步的เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นด้านไหนนะมันก็ยังไม่ใช่นยังไม่ใช่ทั้งหมด Doesn't matter what happened right or w i o n g or what happened right or correct or not correct is not all the things that It's not everything. Uh, 什么都没有关系，不管是黑还是白，对还是错，这些都不是所有的一切。ไว่าจะเป็นผู้หจะเป็นผู้รู้ก็ยังเป็นตัวเป็นตน Even being the the loser or being the one that who knows about the loser is is not self. 那个迷的或者那个觉知的也不是自己。 ไห้จะนึกถึงคำสนอนหลวงพ่อคำเขียนนะท่านบอกเป็นมงกุฎของธรรมทั้งหมดนะคือความไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไร Just remember the the teaching of the หลวงพ่อคำเขียน the the h i g h s u p r e m e of the Dharma is the ไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรจำคือเต้องจำ 最高的法就是那个法的皇冠就是什么都没有没有什么跟什么ถ้าถ้าเเห็นจริงๆเนะี่ยความไม่มีนะคือความไม่มีตัวตนนะมันเป็นธรรมชาตนะิเดิมแท้ของจิต If we actually see the the no self is the natural quality of the mind 嗯，当我们能看到无我的时候，就能看到无我，就是心本来的这个本质。When we lose being, being a being, it becomes this and Because we lost to have self, and then we try to become this and become that. 我们离了以后才会有我，然后呢，才会想要成为这个，成为那个。 แต่การปฏิบัติไม่ใช่ว่าเป็นการที่เราจะไปฆ่าตัวตนไปทำละไปทำร้ายตัวตนนะ用功不是说我们要杀那个我，แค่เห็นตอนที่มันหลงไปสร้างตัวตนแค่เห็นมันจะสลายตัวมันเอง we, we just see and then automatically disappear มันก็จะสลายไ自เ消失 มันเห็นตัวตนมาขึ้นมาปุ๊บมันหายมันก็เป็นเหลือเป็นความไม่มีตัวตน It's 就好像我们呃在上面然后我们看到然后它就自己消失了。เหมื้นเราเห็นทุกปุ๊บเห็นทุกปุ๊บทุกมันจะลายก็เหลือเป็นความไม่ทุก。Like we see the Then suffering Suffering gone then อืม就好像我们อ่อ看到苦然后呢就有不苦然后เอ๊ะ看到苦然后苦就没有了เหรอไเหมือนถ้าเราเห็นความโกรธจริงๆนะความโกรธก็จะหายไปเบือเป็นความไม่โกรธ It's like we see e the, the the anger anger disappear becomes non anger อืม就好像当我们看到生气的候生就消失就有生了เนี่ยหงพ่อบอนะในโกร มีความไม่โกรธนะ Like the Buddha said, in the anger there is no anger in the anger。่า说在生气里面有不生气。ในทุกนะมีความไม่ทุก。苦里面有不苦。<c oughs> ไม่ต้องแปลนะ。อันนี้นะถ้าเรามีสติจะเห็นนะ。อิทธิบสติมีแต่สิ่ง。有决心就能到。 เพราะฉะนั้นชีวิตนะมันก็เลยไม่ต้องเป็นอะไรกับอะไร so then the life we have nothing <c oughs> to not being anything with anything ังม生命本来ไ没有什么没有什么跟什么呃นะนะนะก็ฝากไว้ครับโอเค